วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส0บกันยายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจกันมาฟังเทศฟังธรรมมาหาความจริงจากธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของความสุข ที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามีความสุขกี่รูปแบบด้วยกันตามหลักธรรมที่พูุ้ทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นความสุขในโลกนี้ก็มีอยู่สองรูปแบบใหญ่ๆด้วยกัน แ, แบบที่หนึ่งก็คือความสุขของผู้ครองเรือนของค า, ารว์ผู้ครองเรือน ความสุขแบบที่สองคือความสุขของของนักบวชความสุขสองแบบนี้เป็นความสุขที่วิธีหาความสุขนั้นไม่เหมือนกันวิธีหาความสุขของผู้คลองเรือนี้หรือเหตุของความสุขของผู้คลองเรือนี้มีอยู่สเหตุด้วยกันเหตุที่หนึ่งคือก็คือ การมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มา mm. เหตุที่สองก็คือการได้ใช้ทรัพย์ mm. เหตุที่สามคือการไม่มีหนี้ mm. และเหตุที่สี่ก็คือการกระทาที่ไม่เกิดโทษ mm. นี่คือ mm. ความสุขของผู้คลองเรือน mm. ผู้คลองเรือนจาเป็นจะต้องมีเงิน จำเป็นจะต้องใช้เงินถึงจะมีความสุขและจำเป็นจะต้องไม่มีหนี้เพราะหนี้นี้ไม่ให้ความสุขกลับจะให้ความทุกข์และการกระทาที่ไม่เกิดโทษเพราะถ้ามีการกระทาที่เกิดโทษก็จะทำให้เกิดทุกข์ตามมาดังนั้นเราผู้ที่ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ยังเป็นคารวาสอยู่ ก็ควรจะมาศึกษาเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขสี่ประการนี้อย่างละเอียดว่ามีมีอย่างไรเป็นอย่างไรบ้าง<ม>เหตุข้อที่หนึ่งการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์<ม>การจะมีทรัพย์หรือการจะได้ทรัพย์มานี้<ม>ก็มีมีทางเลือกอยู่สองทางด้วยกัน คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาโดยวิธีการที่ไม่เกิดโทษและการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาด้วยวิธีที่การเกิดโทษวิธีที่การเกิดโทษนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะกระทำกันคือการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาด้วยวิธีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม ถ้าเราทำผิดกฎหมายเช่นไปต้นไปจี้ไปลักทรัพย์ไปช้อโกงไม่ช้าก็เร็วเราก็อาจจะต้องถูกจับไปลงโทษได้ทรัพย์ที่เราได้มาก็อาจจะถูกยึดคืนไปก็ได้วิธีหาทรัพย์รือได้ทรัพย์มาโดยวิธีที่ผิดกฎหมายนี่ได้ไม่คุ้มเสีย จึงไม่เป็นไม่ควรจะเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความสุข<ม>เพราะว่ามันมีโทษตามมาผิดกฎหมายก็ต้องถูกคอยตามจับเข้าคุกเข้าตารางแล้วผิดศีลละธรรมด้วยศีลละธรรมก็มีโทษของศีลละธรรมก็คือจะทำให้เกิดความทุกข์ใจ เวลาเราทำบาปเวลาหาทรัพย์ด้วยวิธีการทำบาปจะทำให้ใจเรามีความทุกข์ไม่มีความสบายใจ<ม>แล้วก็เวลาตายไปใจก็จะต้องไปรับใช้กรรมในอบายไป<ม>เกิดเป็นเนรฉานบ้างเป็นเตษบ้างเป็นนสุลกายบ้างหรือไปตกนรกบ้าง น, นี้คือการมีทรัพย์ด้วยวิธีด้วยการกระทําที่ไม่ถูกต้องเป็นเป็นวิธีการที่เราไม่ควรจะมีทรัพย์กันหรือได้ทรัพย์กันวิธีการที่เราจะได้ทรัพย์หรือมีทรัพย์นี้ควรจะมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องก็คือถ้าเราไม่มีทรัพย์เราก็ต้องไปทํางานทําการทํามาหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริญ ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมถ้าเราทำอาชีพหาเงินหาทองด้วยวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายเราก็ไม่ต้องถูกถูกจับไปติดคุกติดตารางเงินทองที่เราหามาได้ก็จะไม่ถูกยึดไปแล้วเวลาเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปใช้โทษในอาบายไม่ต้องไปเกิดในอาบาย เวลาอยู่ก็อยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องมีความทุกข์ความหวาดกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษ น, นี่คือวิธีหนึ่งของการที่เราจะมีทรัพย์ได้หรือได้ทรัพย์มาก็คือการด้วยการทํางานทําการทามาหากินด้วยอาชีพที่สุดจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรา สามารถที่จะมีทรัพย์ได้ก็เกิดจากการที่เราเคยทําบุญมาในอดีตถ้าชาติก่อ น, อนเราได้ทําบุญทําทานมาอย่างด้วยอย่างต่อเนื่องชาตินี้เวลาเรามาเกิดเราก็มาเกิดบนกองเงินกองทองมาเกิดในครอบครัวที่ร่ารวยมีพ่อแม่ที่ร่ารวยเป็นต้น อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราได้ทรัพย์มาลุนีทรัพย์มาแต่วิธีนี้เราก็ย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้คือเรากลับไปทำบุญไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นอดีตนะถ้าเราไม่ได้ทำบุญมาในอดีตตชาติชาตินี้เรามาเกิดมาก็จะไม่ได้เกิดมาในครอบครวัวที่ร่ำรวย ถ้าเราไม่มีทรัพย์ที่ได้มาจากการทำบุญทําทานจากอดีตชาติเราก็ต้องมาหาเงินหาทองด้วยการทำงานหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริญเราก็จะได้มีทรัพย์และเราก็จะได้มีความสุขมีความมั่นคงมีความมั่นใจว่าเราจะไม่อดอยากขาดแคลนเราจะไม่ทุกข์ยากลำบาก เพราะการมีทรัพย์นี้สามารถที่จะทำให้เราเอาไปใช้ในสิ่งที่จาเป็นต่อการดำรงชีพได้เช่นปัจจัยสี่มีทรัพย์เราก็จะไม่อดอยากขาดแคนในเรื่องปัจจัยสี่จึงทำให้เรามีความสุขอันนี้วิธีการของการมีทรัพย์ที่เราจะสามารถมีได้ สองวิธีด้วยกันวิธีที่ไม่เกิดโทษและวิธีที่เกิดโทษวิธีที่เกิดโทษเราก็ไม่ควรที่จะทำกันการกระทาที่เกิดโทษนี้ทำไปแล้วได้ไม่คุ้มเสียทำผิดกฎหมายแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปติดทุกติดตารางเราก็คงจะได้เห็นข่าวาวอยู่เรื่อยๆคนดังคนรวยบางคน ก็เป็นข่าวเป็นข่าวขึวนขว้นมาว่าไปทำผิดกฎหมายไปหาเงินทองโดยวิธีผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปก็ยอยู่คอนโดราคาเป็นล้านเคยขับรถหรูหราราคาเป็นล้านพอถูกเจ้าหน้าที่จับไปเข้าคุกเข้าตารางก็ต้องอยู่อยู่แบบขอทานอันนี้คือเรื่องของการมีทรัพย์ เรื่องของความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ของผู้ครองเรือนต้องต้องได้ทรัพย์หรือมีทรัพย์มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องถ้าไม่ได้ทำบุญมาในอดีตชาติไม่ได้เกิดมาร่ำมารวยก็ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปต้องอดทนต้องอดกลัน้นอย่าไปโลภ อยากได้เงินมากมากจนกระทั่งต้องไปทำบาตหรือทาผิดกฎหมายเพราะเงินที่ได้มาจากการทำผิดทาบาตรืละทำผิดกฎหมายนี้มันมีโทษตามมานั่นเองนี่คือความสุขข้อที่หนึ่งของผู้คลองเรือนความสุขข้อที่สองก็คือการได้ใช้เงินใช้ทองถ้าเรามีเงินแล้ว ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินใช้ทองเราก็ยังจะไม่มีความสุขเราก็ต้องเอาเงินที่เรามีแลวได้มานี้เอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็แบบเดียวกันกับการมีเงินหรือการได้เงินมามีสองวิธีวิธีที่เกิดโทษและวิธีที่ไม่เกิดโทษการใช้เงินใช้ทองที่ทําให้เกิดโทษก็มี การใช้เงินใช้ทองที่ทำให้ไม่ให้เกิดโทษให้เกิดแต่ประโยชน์ก็มีเราต้องรู้จักใช้เงินใช้ทองให้เกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษกับตัวเราการใช้เงินใช้ทองที่เกิดโทษนี้ใช้อย่างไรก็ใช้ไปกับการเสพอบายมุกต่างๆเช่นการเดินสุรายาเมาเสพยาเสพติดเล่นการพานันเที่ยว เที่ยวใจวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่จะทําให้เงินทองหมดไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอันนี้ต้องรู้จักใช้เงินใช้ทองไม่ฉะนั้นแล้วเงินทองที่มีพอหมดไปมันก็จะทําให้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ดงนั้นต้องพยายามหักห้ามจิตใจอย่าไปหลงเสพอาบายมุกต่างๆอย่าไป เดือสุรายามาหรื อ, อยาเสพติดชนิดต่างๆอย่าไปเล่นการพนันเพราะการพนันนี้เล่นไปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องขาดทุนพอขาดทุนก็อยากจะได้งานคืนก็เล่นเพิ่มมากขึ้นไปยิ่งเล่นก็ยิ่งขาดทุนเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะหมดเนื้อหมดตัวได้ เ้าอยากในเรื่องการพนันอย่ากเดิมสุรายาเมาลรยาเสติดเพราะเดิมแล้วจะทำให้มึนเมาแล้วก็จะทำให้ขาดสติอาจจะทำให้ไปทาผิดกฎหมายไปทำร้ายผู้อื่นได้การใช้เงินกับการเสพสุรายาเมาก็แทนที่จะให้ความสุขกลับกลายเป็นการให้ให้ความทุกข์ได้ เดินสุราแล้วไปขับรถชนคนตายอย่างนี้ก็ต้องถูกไปจับติดคุกติดตารางการเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเที่ยวแล้วก็จะร็จอยากจะเที่ยวอยู่เรื่อย เ, อยอเองินทองที่มีมากน้อยถ้ามัวแต่ไปเที่ยวไม่มีไม่เอาเวลาไปหาเงินไม่ช้าก็เร็วเงินทองที่มีอยู่ก็จะต้องหมดไป ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองในทางที่ไม่ถูกในทางที่เกิดโทษคือการใช้เงินทองกับอบายามุขต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะทำกันควรจะใช้เงินทองในทางที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจและร่างกายของเราด้วยการเอามาใช้ในการเลี้ยงดูร่างกายของเรา ด้วยปัจจัยสี่ด้วยอาหารด้วยเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคและการใช้เงินทองที่จำเป็นนี้ก็ต้องรู้จักใช้คือไม่ควรจะใช้แบบฟุ่มเฟือยแบบเกินความจาเป็นใช้แบบตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายเพราะว่า ปัจจัยสี่นี้มันก็มีหลายระดับหลายราคาด้วยกันระดับระดับถูกก็มีระดับกลางก็มีระดับแพงก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูกาลังทรัพย์ของเราว่าเรามีมากมีน้อยเท่าไหร่เรามีรายรับเท่าไหร่ถ้าเราจะต้องมีรายจ่ายเท่าไหร่เราต้องรู้จักประมาณ อย่าใช้เกินกว่าที่เราจะหามาได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดารงชีพก็ตามอต่ถ้าเราใช้มันมากกว่าที่เราจะหามาได้เงินทองก็จะไม่พอใช้ได้เราก็จะเดือดร้อนเราก็จะทุกข์ได้ฉะนั้นเราควรที่จะรู้จักใช้เงินทองที่เรามีอยู่ให้รู้จักว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่ อย่าให้รายจ่ายมากกว่ารายได้ควรจะให้น้อยกว่ารายได้เพราะว่าเรายังต้องมีอย่างอื่นที่เราจะต้องใช้นอกจากปัจจัยสี่คือของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้วเราก็ยังต้องมีเงินเก็บสารองไว้ส่วนหนึ่งด้วยเผื่อวันข้างหน้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดมีปัญหามี มีภาวะที่จะทำให้เราขาดรายได้ขึ้นมาไม่สามารถที่จะมีรายได้มีแต่รายจ่ายเราก็จะต้องมีเงินสำรองที่เราเก็บไว้นี้มามาใช้ในช่วงที่รายได้ไม่มีต้องมินต้องมีเงินใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีเงินเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วถ้าเราเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการเรียนไ่ว้ตายเกิด เชื่อว่าชาติหน้าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องแบ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไว้สาหรับการทำบุญทําทานเพื่อที่เวลาชาติหน้ากลับมาเกิดเราจะได้มาเกิดอย่างอยู่สบายไม่ทุกข์ยากไม่ลำบากไม่ยากจนเพราะเรามีบุญไว้รอรับเราอยู่ วัินที่เราเอาไปทำบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารนี้เวลาเรากลับมาเกิดชาติหน้าเราก็สามารถมาเบิกเงินจากธนาคารบุญที่เราได้ฝากไว้ได้บุญนี้มีคุณประโยชน์ทั้งขณะที่เรามีชีวิตอยู่ทั้งขณะที่เราตายไปแล้วและทั้งขณะที่เรากลับมาเกิดใหม่ เวลาเราทำบุญแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจสบายใจจะไม่หิวโหวยกับการที่จะไปหาความสุขจากอบายามุขต่างๆจะไม่หิวโหวยกับการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยใช้ของแบบหรูหรา <c oughs> เราจะมีความสุขจากบุญที่เราทำ <c oughs> เราสามารถอยู่แบบส ม, มถะเรียบง่ายได้ไม่ต้องใช้เงินทองมาก ปัจจัยสี่ที่เราใช้ก็ไม่ต้องใช้เป็นของราคาแพงแพงแล้วก็ไม่ต้องเป็นของที่หรูหราเพราะว่าปัจจัยสี่มันก็ทำหน้าที่เหมือนกันที่อยู่อาศัยมันก็ทาหน้าที่เหมือนกันจะถูกหรือจะแพงเสื้อผ้าที่เราใส่จะถูกหรือจะแพงมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันอาหารก็เหมือนกันอาหารจะถูกอาหารจะแพงมันก็ ทำให้เราอิ่มเหมือนกันยารักษาโรคโรงพยาบาลจะถูกจะแพงก็ดูแลรักษาโรคได้เหมือนกันถ้ารักษาหายก็หายได้เหมือนกันถ้ารักษาไม่หายก็ไม่หายได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็โรงพยาบาลถูกหรือโรงพยาบาลแพงก็ตามคนที่ไปรักษาโรงพยาบาลแพงแล้วไม่หายก็มีตายก็มีไม่ใช่ไม่ใช่จะตายเฉพาะที่โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่าน okay, ั้น โรงพยาบาลของเอกชนก็มีคนตายได้เช่นเดียวกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องความเจ็บความตายของร่างกายมากจนเกินไปเลย mm hmm. จะทำให้เราอยู่อย่างไม่มีความสุขเพราะจะต้องเครียดกับการที่จะต้องหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาใช้กับของแพงๆ mm hmm. ให้ใช้ไปตามมีตามเกิดตามฐานะของเราตามกําลังของเรา mm hmm. และ เราจะอยู่อย่างมีความสุขเวลาเราทำบุญแล้วเราจะไม่ค่อยกังวลกับเรื่องราวเหล่านี้เท่าไหร่เพราะเราจะเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเวลาเราตายเราไม่ได้ตายจริงส่วนที่ตายก็คือร่างกายส่วนใจนี้จะไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีบุญนี้เวลาตายไปก็เหมือนกับมีเงินทองติดตัวไป เมือนเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราก็จะต้องเปลี่ยนเงินทองจากเงินบาทไปเป็นเงินของประเทศที่เราจะไปกันพอเราไปถึงประเทศนั้นเราก็สามารถใช้เงินทองของประเทศนั้นได้เลยฉันันดาบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราจะใช้ในโลกทิพย์<ม>เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะเป็นกายทิพย์เรเป็นกายทิพย์ เราจะอยู่ในโลกทิพย์แลการจะอยู่ในโลกทิพย์อย่างสะดกสบายก็ต้องมีเงินทิพย์เงินทิพย์ก็คือบุญนี่เองดังนั้นถ้าเราทําบุญมากๆเราก็จะเป็นเศรษฐีบุญตายไปเราก็จะเป็นเศรษฐีในโลกทิพย์พวกที่เป็นเศรษฐีในโลกทิพย์ก็เป็นพวกเทวดานี่พวกที่อยู่ในสวรรค์นี่เป็นพวกที่ได้ ได้เปลี่ยนเงินทองจากเงินเงินทองที่อยู่ในโลกของมนุษย์นี้มาเป็นเงินทองของโลกทิพย์<ม>คือบุญทำบุญทำทานต่างๆอันนี้เป็นอ น, นิสงของผลบุญที่จะที่ที่จะเกิดขึ้นที่จะทำให้เราเวลาอยู่ก็อยู่อย่างมีความสุขมีความอยู่แบบไม่หิวโหวยบุญนี้จะทำให้จิตใจเราอิ่มไม่ค่อยหิวโหวยกับการไปเที่ยวไป ไปใช้ของฟุ่มเฟือยต่างๆไปดูไปฟังมหัรศพบรรเทิงเรื่อเครื่องรุ่นเรงอะไรต่าง ๆ, ๆบุญนี้ลหละที่จะทำให้เราอิ่มใจสุขใจแล้วมันก็จะเป็นสเบียงเป็นเงินที่เราจะเอาไปใช้ในโลกทิพย์ตายไปเราก็จะไปเป็นเศรษฐีบุญไปอยู่ในสวรรค์เป็นเทพเป็นเทวดากัน แล้วพอบุญนี้หมดกำลังลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และเราก็จะได้มาเกิดในฐานะที่ไม่ยากจนจะรวยมากรวยน้อยก็อยู่ที่การทำบุญของเราว่าเราได้ทำมามากทำาน้อยนี่คือเรื่องของการใช้เงินที่ถูกที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษก็คือต้องแบ่งการใช้เงินไว้สามส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งก็ใช้ไปกับสิ่งที่จําเป็นต่อการดารงชีพต่อการทำมาหากินปัจจัยสี่แล้ว จ, จะต้องมีอย่างอื่นอาจจะต้องมีรถยนต์พาหนะหรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่เราต้องเอามาใช้ในการทำมาหากินก็ขอให้ใช้แบบประหยัดมัธยัตใช้แบบสมเหตุสมผลอย่าไปหลงระเริงกับของที่รู้หราของที่มีราคาแพงแ เพื่ อ, อชาวบ้านว่าเขาว่าเราล่ำเรารวยอันนี้ไม่เกิดคุณเกิดป ร, <ม>ประโยชน์อะไรพยายามรักษาแบ่งเก็บเงินไว้เอาไปใช้ส่วนอื่นด้วย<ม>เก็บไว้สำรองส่วนหนึ่ง<ม><ม>เวลาที่เกิดมีเหตุการณ์เช่นโรคระบาดนี้เศรษฐกิจก็ชะ ง, งักไปรายได้ก็ชะ ง, งัก<ม>ถ้าไม่มีเงินสำรองเก็บเมาไว้ก็อา จ, จะเดือดร้อนได้<ม>ต้องมีเงินเก็บไว้ส่วนหนึ่ง แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เงินเอาไว้ทําบุญอันนี้เป็นเย่างนนเงินลงทุนในพบหน้าชาติหน้าเอาเงินนี้ไปฝากในธนาคารบุญไว้เวลาตายไปก็จะได้มีเงินไปใช้ในโลกทิพย์และเวลาเรากลับมาเกิดใหม่จะเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะได้มีฐานะที่มั่งคั่งร่ํารวยอันนี้คือวิธีการที่เราจะมีความสุขจากการใช้เงินใช้ทอง อย่าใช้เงินไปกับอบายามุขหรือของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆแม้ว่ามันเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวแล้วเวลาเงินหมดแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์ยากเกดือดร้อนแล้วถ้าเราถ้าเราใช้มากกว่าเราหามาได้มันก็อาจจะทำให้เราต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไปกู้หนี้ยืมสินมาซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะกระทำกัน เพราะการไม่มีนี่นี้จะเป็นความสุขการมีนี่นี้จะเป็นความทุกข์นี่คือสาเหตุที่สามของของการอยู่แบบผู้ผู้ครองเลือนอยู่แบบมีความสุขต้องอยู่แบบไม่มีหนี้สินอย่าไปใช้เงินเกินตัวอย่าใช้เงินเกินเกินฐานะของเราอย่าใช้เงินเกินรายรายรักของเรารายจ่ายของเรา จะต้องอยู่ต้องน้อยกว่ารายรับเราถึงจะไม่มีหนี้แต่ถ้าเราใช้เงินมากกว่า <c oughs> มันก็จะทำให้เราเกิดหนี้ขึ้นมาได้ยิ่งสมัยนี้เขาชอบยุยงให้เรามีหนี้กันซื้อของโดยที่ไม่ต้องซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อน <c oughs> การซื้อเงินผ่อนนี้ก็การการไปสร้างหนี้ให้กับตัวเราเองแล้วเอาของมาใช้ก่อนแต่ยังเป็นหนี้กับร้านหรือกับธนาคาร ที่เราจะต้องคอยผ่อนคอยคืนเขาไปแล้วถ้าเงินทองขาดมือเมื่อไหร่เราก็จะไม่สามารถผ่อนใช้นี่ได้เขาก็จะมายึดของที่เราซื้อไป<ม>ความสุขที่ได้จากของที่เราซื้อมาก็หมดไปงั<ม>้นอย่าไปซื้อข้าวซื้อของโดยไม่จําเป็นโดยที่เรายัางไม่พร้อมถ้าถ้าทางที่ดีถ้าจะ ซ, ซื้อก็ซื้อแบบเงินสดไปเลยดีกว่า การใช้เงินสดซื้อนี่ก็จะได้ซื้อของที่ถูกกว่าเพราะไม่มีดอกเบีย้ยเวลาซื้อเงินผ่อนนี้เขามีดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย<ๆ>ของที่ซื้อด้วยเงินผ่อนนี้แทนที่จะเป็นร้อยบาทก็อาจจะเป็นร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าของที่เราซื้อด้วยเงินสดนี้แทนที่จะเป็นร้อยบาทอาจจะเหลือเก้าสิบบาทเพราะว่าเราจะได้ดอกเบีย้ยจากเงินที่เราฝากเอาไว้ในธน า, าคาร เราก่อนที่เราจะซื้อของถ้าเราไม่มีเงินพอเราก็เอาเงินฝากไว้ในธนาคารไปเรื่อยๆก่อนขณะที่เราฝากเงินไว้ในธนาคารเราก็ได้ดอกเบี้ยแล้วพอเรามีเงินพอที่จะซื้อของที่เราอยากได้เราก็เบิกออกมาจากธนาคารของที่เราซื้อราคา1 0งเราอาจจะเราอาจจะเสียเพียง90บา ท, ทนั่นเองถ้าซื้อด้วยเงินสดเนี่ย เย็นั้เราต้องรู้จักอดอดกัน้นอดทนอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามความอยากเพราะมันพอเห็นอะไรอยากได้แล้วก็ซื้อซื้อเวลาซื้อก็ไม่คิดก่อนว่ามันจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าพอมาได้สติทีก็หนี้หนี้ท่วมหัวแล้วต้องระมัดระวังเวลาใช้ใจ่ายอะไรต้องต้องมีสติต้องใช้ต้องมีบัญชี ต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็มีงบประมาณไว้สําหรับใช้ในแต่ละส่วนเราจะใช้กับปัจจัยสี่ใช้กับสิ่งที่จําเป็นเท่าไหร่จะใช้เก็บไว้เท่าไหร่แล้วก็จะใช้ไว้กับการทําบุญเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีการตั้งงบไว้แล้วมันจะถูกความอยากกิเลสนี้ไปใช้กับของที่ไม่จําเป็นเสหมดจะทําให้เราบางทีอาจจะไม่ ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินทำบุญแล้วเงินที่ใช้กับของที่จำเป็นก็ไม่พอใช้งนั้น <Yeah. S 1> คนที่ฉลาดนี้เวลาจะใช้เงินใช้ทองเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมานี้ต้องมีสติมีปัญญาอย่าใช้ตามอารมณ์ <Yeah. S 1> มีสติก็คือมีปัญญาก็คือวางแผน <Yeah. S 1> ตั้งงบเอาไว้ <Yeah. S 1> เงินที่เราจะใช้ีใช้กับของจำเป็นมีเท่าไหร่ เงินที่เราจะเก็บไว้จะเก็บไว้เท่าไหร่เงินที่เราจะเอาไปทําบุญจะเอาไว้เท่าไหร่ต้องวางแผนไว้อย่างนี้แล้วพยายามเดินไปตามแผนที่เราวางไว้แล้วโอกาสที่เราจะไปมีหนี้มีสินนี้มันก็จะไม่มีนี่คือการที่เราจะใช้เงินอย่างมีความสุขและการที่เราจะไม่ต้องมีหนี้มีสินเป็นความสุขของผู้คลองเรือนและการที่เรา มีการกระทำที่ไม่เกิดโทษคือเราจะไม่ทำบาปไม่ทำผิดกฎหมายไม่เสพอบายะมุขอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วชีวิตของคารวะผู้คลองเรือนก็จะมีความสุขไปอันนี้คือถ้าเราเป็นคารวะนี่คือวิธีการที่พู้เจ้าทรงสอนให้เราหาความสุขกันจากการมีทรัพย์จากการใช้ทรัพย์ จากการไม่มีนี่แน่จากการกระทาที่ไม่เกิดโทษแต่ถ้าเราคิดว่าถึงแม้ว่าการจะหาความสุขแบบนี้มันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เพราะว่าเงินทองนี้มันก็เป็นของที่ไม่แน่นอนเวลาจะหามาก็หามายากแล้วก็เวลาได้มาแล้วมันจะเก็บรักษาไว้ก็ไม่แน่ว่ามันจะอยู่กับเราไปได้ตลอดหรือไม่ มันดีคืนดีก็อาจจะถูกลักขโมยไปก็มีหรืออาจจะถูกช่อโกงไปก็มนีนการที่เราจะหาความสุขแบบการใช้เงินกับแบบการมีเงินมีทองแบบการใช้เงินนี้มันอาจจะเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนอาจจะสร้างความสร้างความเครียด ส, สร้างความวิตกกังวลให้กับเราก็ได้<ม>ก็มีทางเลือกอีกทางหนึ่ง ก็คือความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขของของนักบวชนักบวชนี้จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ทรัพย์จากการมีทรัพย์นี่มาเปลี่ยนมาเป็นการหาความสุขจากการทําใจให้สงบทําใจให้สงบเพราะว่าถ้าสามารถทําใจให้สงบได้ใจก็จะมีความสุขขึ้นมา และความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็จะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ทรัพย์จากการมีทรัพย์อันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่อาจจะเห็นว่าการอยู่แบบขาลาวว่าคลุกคลองเรือนี้เป็นเป็นการอยู่แบบวุ่นวายใจอยู่แบบแบบวิตกกังวลใจ ก็ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนของเรื่องเงินทองเงินทองบางทีก็หาได้ง่ายบางทีก็หาได้ยากบางทีก็อาจจะขาดไ้ขาดขาดแทนได้ก็ถ้าไม่อยากจะมาทุกข์กับเรื่องการหาเงินใช้เงินเพื่อให้เกิดความสุขก็ลองบางเปลี่ยนหาหาความสุขแบบนักบวชดูในเบื้องต้นอาจจะไม่จำเป็นจะต้องบวชทันทีทันใด ก็ให้บวชแบบเช้าคาวก่อนแบบอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนมาเช่นวันพระหรือวันหยุดทำงานนี้เราก็เอาวันหยุดทำงานนี้ที่เรามีเวลาว่างนี้ลองมาหาความสุขแบบนักบวชกันลองมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันาการจะทำใจให้สงบนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าต้องปฏิบัติทำสามขั้นด้วยกัน เพือขั้นที่หนึ่งก็คือศีลขั้นที่สองก็คือสมาธิขั้นที่สามก็คือปัญญาให้เรามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันถ้าเราสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราก็จะสามารถทำใจของเราให้สงบได้เมื่อใจของเราสงบแล้วเราก็จะได้ความสุขซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ เกิดจากการได้ทร bon ัพ <net> ย <chae ode ats> <sh> ์มาต่อให้ได้เงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านมาความสุขที่ได้จากเงินร้อยล้านพันล้านนี้ก็ซื้อความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้พราะความสุขที่มันมันมีความมีน้ําหนักมากกว่าแล้วมันมีความมั่นคงกว่าและมันอยู่จะอยู่กับเราได้ยาวนานกว่าและไม่มีใครที่จะมาพากจากเราไปได้ ถ้าเรารู้จักวิธีทําใจของเราให้สงบแล้วนี้ไม่มีใครที่จะสามารถมาแย่งความสงบของใจเราได้ไม่เหมือนกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่ที่อาจจะสามารถเออหมดไปจากเราได้เมื่อไหร่ก็ไม่เมื่อไหร่ก็ได้บางทีก็อาจจะถูกคนช่าโกงไปถูกคนหลอกลวงไปถูกขโมยไปก็ได้ หรือเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้งั้นความสุขที่ได้จากเงินทองนี้เอาไปไม่ได้แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะอยู่กับเราไปหลังจากที่เราตายไปแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเรานี้ไม่ได้ตายแล้วความสงบของใจก็จะอยู่ไปก็อยู่กับใจก็จะไปกับใจเราก็จะมีความสุขได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนตำบลใดพบใด้ชาติใด ถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบแล้วเราก็สามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้ทุกที่ถึงแม้ไม่มีร่างกายเราก็ยังสามารถทำใจให้สงบได้เพราะการทำใจให้สงบนี้ไม่จำเป็นได้ที่จะต้องใช้ร่างกายนั่นเองขอให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาทั้งนี้เราก็จะมีความสุขได้ตลอดเวลาดัางนั้นเราจึงควรที่จะมาลองทดลอง วิธีหาความสุขแบบนักบวชกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยวันที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ที่เรียกว่าวันพระเนี่ยเป็นวันที่ให้พวกเรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้วิธีที่จะสร้างความสุขแบบนักบวชกันแล้วก็ลองมาอยู่แบบนักบวชมาถือศีลของนักบวชศีลของนักบวชก็คือศีล8นะศีล8ดขึ้นไปเรียกว่าศีลของนักบวชศีลของผู้คลองเรือนคารวะนี้คือศีลห้า ถ้าอยากที่ยามาหาความสุขแบบนักบวชเราก็ต้องถือถือศีลของนักบวชคือต้องมาถือศีลห้าถือศีลแปดเพิ่มขึ้นอีกสามข้อแล้วเปลี่ยนข้อที่สามจากกาเมมาเป็นอบ布拉มจริยา mm hmm. เพราะว่าการที่เราจะมาหาความสุขแบบนักบวชคือหาความสุขที่เกิดจากการทาใจให้สงบนี้เราต้อง ยับยั้งการหาความสุขทางตาหูจมูกม้นกายทางกรรมคุณห้า<ม>เราต้องหยุดหยุดการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเรา<ม>แล้วก็มาถือศีลอ布拉มจริยาศีลพรหมจรรันทร์คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการร่วมเพศกัน<ม>แล้วก็มาเพิ่มศีลข้อที่หก สี่ข้อที่หกก็คือไม่มาหาความสุขจากการกินการดื่มมากจนเกินไปให้มากินให้ดื่มพอประมาณพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอไม่ให้ร่างกายหิวโหวยก็พอคือไม่ให้กินโดยไม่ให้กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าอยากจะกินอาหารอยากจะดื่มจะกินอะไรก็ให้กินตอนตอนช่วงเช้าถึงเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วเราก็จะยุติ การหาความสุขจากการละพานานเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่หลังจากเที่ยงวันนี้มาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิเจริญปัญญากันเพื่อที่จะทำให้ใจสงบให้ใจเย็นให้ใจสบายแล้วก็เส้นข้อที่เจ็ดก็คือเราก็จะละเว้นจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสทางโ ม, มหารศบและบันเทิงต่างๆ ไม่ดูหนังไม่ดูละครไม่ร้องนำทำเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่ตางๆไม่ไปงานเลี้ยงไม่ไปไม่ไปแต่งเนื้อแต่งตัวเสรมสวยความงามทางร่างกายจะไปหาที่อยู่ที่สงบอยู่ตามวัดที่เป็นวัดที่มีการปฏิบัติมีการเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา นี่คือสินข้อที่เจ็ดสินข้อที่แปดก็ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนนะวิธีที่จะไม่ให้หลับนอนไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปก็คือให้นอนบนบนบ น, บนเตียงหรือ บ, บนพื้นที่เป็นพื้นแข็งแข็งไม่มีฟูกไม่มีฟูกหนาะหนาะไม่นอนบนเตียงสําราญเตียงที่มีฟูกหนาะนอนล้วสุขน่สบายจนเกินไป เพราะว่าปกติเวลาร่างกายเหนื่อยเมื่อไรอยากจะพักผ่อนนี้ไม่ว่าจะนอนที่ไหนก็นอนได้นอนบนพื้นแข็งหรือนอนบนฟูกก็นอนได้ต่างกันตรงที่เวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วนี่ถ้านอนบนฟูกหนาหนามันใจใจมันอยากจะนอนต่อยังยังจะไม่อยากจะลุกเพราะมันมันมีความสุขมันมีความสบายจากการหลับนอนอยากบนฟูกหนาหนา ก็จะนอนมากเกินไปจะเสียเวลาเอาเวลาอมนนีค่าที่เราจะเอามาใช้กับการปฏิบัตินี้หมดไปกับการหลับนอนก็เลยไม่ให้นอนบนฟูกหนาะๆนะให้นอนบนพื้นแข็งๆปูผ้าปูเสือ่อเพราะถ้านอนแบบนี้แล้วเวลาร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมาใจก็อยากจะไม่ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายนอนนอนบนพื้นแข็งๆนี่มันจะไม่สบายมันเจ็บหลัง เราจะได้ลุกขึ้นมาเพื่อจะจะได้มานั่งสมาธิหรือมาเดินจงกรมต่อไปนะนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องหัดทำกันให้ได้ถ้าเราอยากจะลองหาความสุขแบบนักบวชเราก็ต้องมีถือศีลของนักบวชกันคือถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยีิบเจ็ดนี้มีศีลแปดอยู่เป็นพื้นฐาน เวลาจะมาบวชเป็นพระนี่ก็ต้องต้องบวชในก่อนต้องถือศีล10ก่อนถึงจะมาถือศีลสองร้ข้อได้งั้นศีลแปนี่แหละเป็นศีลที่ที่จําเป็นที่สําคัญต่อการที่จะเป็นนักบวชต่อการที่จะหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้พอเรารักษาศีลได้แล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเราต้องหาที่ที่สงบ ที่ไม่มีอะไรมาคอยรอบควนใจไม่มีแสงสีเสียงไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดถ้าเราไปรักษาศีลแล้วปฏิบัติธรรมที่บ้านนี้มันอาจจะลาบากถ้าเราอยู่กับคนอื่นถ้าเราอยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักษาศีลปฏิบัติธรรมเหมือนเรานี่เขาก็จะกินข้าวเย็นเขาก็จะดูหนังฟังเพลงเขาก็จะร้องลําทำเพลงอะไรต่างๆพอเราเห็นเขาทำแล้วเราก็จะทาให้ใจเราอดไม่ได้อยากจะทาขึ้นมา เราจะทําให้การที่จะไปทําใจให้นิ่งให้สงบนี้เป็นไปไม่ได้เพราะใจเกิดความฟุ้งซ่านเกิดกามกามฉันทะเกิดความอยากจะเสดกามกับเขาไปฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขจากการทําใจให้สงบนี้จําเป็นจะต้องหาสถานที่ที่สงบสงัดวิเว้ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าต่างๆเช่นไปอยู่ตามวัดที่มีการปฏิบัติ ไปวัดที่เขาจัดสถานที่ให้แยกกันอยู่กันตามลำพังให้มารวมกันเฉพาะเวลาที่ต้องทำกิจคือการรับประทานอาหารหรือการฟังเทศฟังธรรมเท่านั้นนอกจากนั้นก็ให้แยกกันไปเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติเบื้องต้นการที่เราจะทำใจให้สงบด้านนี้เราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน เพราะท่านเราไม่มีสติก็เหมือนรถที่ไม่มีเบรกรถที่ไม่มีเบรกนี้เวลาเหยียบเบรกรถมันก็จะไม่หยุดถ้าเราอยากจะให้รถหยุดนี้เราต้องมีเบรกถ้าเราเหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุดเราก็ต้องเอารถเข้าอู่ไปให้ช่างเขาซ่อมเบรกให้หรถติดเบรกให้หันในใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้ใจเราสงบเราก็ต้องมีมีสติมาคอยหยุดความคิดให้ได้ ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเหมือนกับไม่มีเบรคของใจเมื่อไม่มีเบรคของใจนั่งสมาธิไปนานเท่าไหร่ใจก็จะไม่สงบใจก็จะไม่นิ่งเพราะนั่งไปแล้วใจก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อยู่เรื่อยๆถ้านั่งสมาธิแบบนี้นั่งไปจนวันตายก็ไม่เกิดผลขึ้นมาเพราะเราไม่มีสติเราไม่ได้สร้างสติกันขึ้นมาก่อนดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิได้นี้ เราต้องมาเราต้องมาสร้างสติกันให้ได้ก่อนในการสร้างสตินี้เราต้องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยในวันที่เรามาปฏิบัติธรรมเช่นวันพระหรือวันหยุดวันที่เรามาซ้อมมาฝึกเป็นนักบวชนี้เราต้องเอาวันเอาวันวันนั้นทั้งวันทั้งคืนมาให้กับการฝึกสติกับการสร้างสติวิธีที่จะสร้างสติ ขึ้นมาก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ง่ายๆที่เราใช้กันที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆก็คือการใช้พุท ธ, ธานุสติคือใช้คําการบริกรำบาิกคำค ำ, คำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพอลืมตาขึ้นมาก็อย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าเราไม่พุโทโธใจมันก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีดงนั้นถ้าเราต้องการจะหยุดความคิดต้องการที่จะมีสติมีเบรกของใจ เราก็ต้องเหยียบเบรกทันทีตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเอลืมตาขึ้นมาก็เหยียบเบรกด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเวลาเราไปทําภารกิจส่วนตัวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราก็พุโทโธไปพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดอะไรทําอย่างนี้ไปทั้งวันตลอดทั้งวันเวลาเดินจงกรมก็พุโทโธไปเวลามานั่งสมาธิหลับตาก็พุโทโธไป ถ้าทำอย่างนี้เวลานั่งสมาธินี้ใจจะไม่ฟุง้งแล้วใจก็จะสงบได้ถ้ามีสติกำลังพอถ้าสติยังกำลังไม่พอนั่งสมาธิก็ยังอาจจะไม่สงบก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมใหม่เดิมาเจริญสติใหม่ถ้าต้องไปทำธุระอะไรก็ต้องมีสติอยู่กับการทำธุระนั้นต้องมีพุทโธอยู่เรื่อยๆ ต้องมีพุทธโธ ค, คอยกำจับใจกำกับใจอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยอย่าให้คิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ถ้าเป็นวันที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเช่นวันพระวันหยุดนี้เราแทบจะไม่ต้องมีเรื่องที่เราจะต้องคิดเลยไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปทำงา น, วนเวลาเราไปทำงานนี้ไม่เหมาะต่อการไปปฏิบัติธรรมเวลาทางานนี้เราต้องใช้ความคิดต่าง ดังนวันทํางานนี้ไม่ใช่เป็นวันที่เราจะมาหาความสุขแบบนักบวชวันทํางานนี้เป็นวันที่เราหาความสุขแบบคารวะทุกคลองเรือนแต่พอวันหยุดทํางานนี้จะเป็นวันพักก็ได้วันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ขอให้เป็นวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆแล้วเราก็จะได้เอาวันที่ว่างจากงานนี้มาใช้กับการมาควบคุมความคิดกันอย่าปล่อยให้ใจคิดพยายามหยุดคิดให้ได้ ถ้าหยุดคิดแล้วใจจะเบาใจจะเย็นใจยังมีความสุขถึงแม้ ย, ยังไม่ได้นั่งสมาธิขณะที่เราเจริญสติแล้วความคิดเราเบาบางลงความใจเราก็จะรู้สึกเบาขึ้นสบายขึ้นเย็นขึ้นความวุ่นวายใจความหนัก อ, อกหนักใจก็จะรู้สึกน้อยลงไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราต้องควรพยายามทํากันในเบื้องต้นก็คือพยายามสร้างสติให้มากๆ <c oughs> ด้วยการ บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราไม่อยากจะใช้พุทธโธก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถเจริญสติแล้วสร้างสติขึ้นมาได้วิธีนี้เรียกว่ากายกัตตาสติคือการเข้าดูร่างกายของเราในทุกิริยาบทของการขึ้นไหวไม่ว่าร่างกายเรากำลังอยู่ในอิริยาบทใดก็ให้เราเข้าดูไปขณะนี้ร่างกายนั่งก็รู้ว่ากำลังกลังนั่ง ถ้ากำลังลุกขึ้นมาก็ให้รู้ว่ากำลังลุกขึ้นมากำลังยืนกาลังเดินก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เฝ้าดูว่ากำลังทำอะไรกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ให้ดูอยู่ให้อยู่กับการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารกาลังทาความสะอาดที่อยู่อาศัย ก็ให้มีสติเฝ้าดูการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้<ม>ก็สามารถใช้แทนคำบริกรรมพุโทโธได้หรือเราจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่ไปด้วยก็ได้ทำงานไปก็ดูงานที่เราทำไปแล้วก็พุโทโธไปด้วยก็ได้เป้า<ม>หมายก็คือให้เราควบคุมความคิดให้ได้ให้เราหยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิด เพราะถ้าใจคิดแล้วใจจะไม่สงบจะไม่นิ่งจะเข้าสมาธิไม่ได้เมื่อเข้าสมาธิไม่ได้ใจก็จะไม่มีความสุขทำไปแล้วก็อาจจะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็จะในที่สุดก็อาจจะไม่ทำก็ได้ก็จะก็จะต้องกลับไปหาความสุขจากการหาเงินหาทองจากการใช้เงินใช้ทองไปแล้วก็ต้องวุ่นวายกับความไม่แน่นอนของของเงินทองของสภาพของเงินทอง แต่ถ้าเราสามารถท้างสติจนสามารถหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิจิตสงบได้เราก็ก็จะมีวิธีการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยุ่งยากกับใครไม่ต้องใช้อะไร mm hmm. เพียงแต่ให้มีสติเท่านั้นเองมีสติที่มีกำลังพอที่จะมาหยุดความคิดของเราให้ได้ mm hmm. นั่งสมาธิแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่พุโทโธก็ใช้การดูลมหายใจแทนก็ได้ ดูลมหายใจที่ปลายจมูกเวลามันเข้าเวลามันออกก็ให้ดูที่จุดนั้นจุดที่มันสัมผัสเข้าออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจสั้นหรือให้หายใจแล้วให้หายใจยาว<ม>ให้เรารู้เฉยๆยม ล, ลมหยาบ ก, ก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบ ก, ก็คือลมลมสั้นนี่เอง เวลานั่งใหม่ๆลมจะสั้นมันจะลมมันจะแรงมันก็เรียกว่าลมหยาบพอนั่งไปเรื่อยๆแล้วลมมันจะค่อยๆแผ่วเบาลงไปแผ่วบางลงไปเราก็เรียกว่าลมละเอียดให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปบังคับมันให้รู้เฉยๆเวลาลมหายไปก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจก็ให้รู้อยู่ที่เดิมรู้อยู่ที่ปลายจมูกรู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมเข้าลมออกเท่านั้นเองอย่าปูุงแต่งอย่าคิดถ้าคิดแล้วใจจะถอนออกมา ถ้าดูอยู่ตรงจุดนั้นเดี๋ยวไม่นานใจมันก็จะพลุกเข้าไปข้างในมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่สมาธิพอใจเข้าสู่สมาธิแล้วมันจะนิ่งมันจะเฉยมันจะไม่มีความคิดตอนนั้นเราก็ไม่ต้องดูลมไม่ต้องพุโทโธนี้ก็ให้ดูใจไปเรื่อยๆดูว่ามันสงบหรือไม่สงบถ้ามันจะเริ่มคิดก็ใช้สติหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิด พยายามควบคุมรักษาให้มันสงบให้นานที่สุดถ้าที่ยังงานได้เพราะมั น, นมันเป็นความสุขมันเป็นเหมือนเข้าไปในห้องปรับอากาศเวลาอยู่นอกห้องปรับอากาศมันร้อนเนี่ยพอเราสามารถเข้าเข้าไปในห้องปรับอากาศได้แล้วเราอย่ารีบออกมาให้อยู่ในห้องปรับอากาศนั้นเป็นนา น, านให้พักผ่อนเป็นที่พักผ่อนของใจเวลาได้สมาธิแล้วอย่าเพิ่งไปทางปัญญาปัญญายังไม่ใช่เวลา นั่งมาถ้าเป็นท่าตายเพื่อให้ใจสงบพอใจสงบได้แป๊บเดียวก็จะดึงมาทํางานแล้วยังไม่ถูกเราต้องให้ใจพักไปนานๆเหมือนคนนอนหลับเวลานอนหลับพอพอนอนหลับแล้วก็ไปปลุกให้คนเพิ่งนอนหลับตื่นขึ้นมาไปทํางานนี้ก็จะทําไม่ได้เพราะเพิ่งได้นอนหลับเดี๋ยวเดียวยังพักผ่อนไม่พอต้องปล่อยให้นอนหลับไปจนกว่าจนกว่าจะตื่นขึ้นมาเองพอตื่นขึ้นมาเองแล้วถึงค่อย เอาร่างกายไปทำงานต่อไปได้ใจก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิก็เหมือนเข้าพักผ่อนเวลาเข้าพักผ่อนก็อย่าพึ่งไปดึงใจออกมาทำงานให้ใจพักผ่อนให้นานที่สุดเท่าที่จะงานนานได้จนกว่าใจอยากจะออกมาเองหรือถ้าเราเห็นว่ายังไม่อิ่มไม่พอเราก็บังคับให้อยู่ต่อไปได้ด้วยการใช้สติใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ได้ใช้การดูลมหายใจก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้ใจออกมา จากสมาธิให้อยู่ในสมาธินานๆให้อยู่ได้เป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีเพราะเวลาที่ใจได้พักผ่อนมากๆแล้วเวลาออกมาเราสามารถที่จะเอาใจที่มีกำลังจากการพักผ่อนในสมาธินี้มาใช้ในการศึกษาทางด้านปัญญาได้ดีกว่าใจที่ได้พักผ่อนไม่มากออกมาแล้วจะไม่มีสมาธิพอที่จะพิจารณารมต่างๆได้ อย่างละเอียดและอย่างอย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลาเวลายาวนานจนกว่าจะเกิดความ <c oughs> ความเข้าใจจนถึงท่านปล่อยวางได้ดังนั้นเวลาที่เราทําสมาธินี้อย่าไปยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการไปเจริญปัญญาปัญญานี้ต้องรออีกช่วงหนึ่งช่วงแรกๆนี้พยายามทุ่มเทเวลาให้กับการเข้าสมาธิเข้าออกสมาธิให้จานานก่อน เหมือนการที่เราหัดขับรถใหม่ๆนี่ตอนที่เราหัดขับรถใหม่ๆเรายังไม่ออกไปที่ถนนใหญ่กันเราขับตามถนนที่ไม่มีรถวิ่งกันตามซอยหรือตามอะไรให้เราขับให้ชำนาญก่อนพอเรามีความชำนาญเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถควบคุมรถยนต์ได้อย่างดีแล้วเราค่อยขับออกไปตามถนนที่มีรถลาวิ่งมากๆต่อไปการฝึกสติฝึกสมาธิก็เหมือนกัน เราต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนจนเราสามารถที่จะสั่งให้ใจเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการและให้อยู่ได้นานๆก่อน mm hmm. เมื่อเรามีความชำนาญในทางสมาธิในทางสติแล้วเราถึงค่อยไปทางปัญญาต่อไป mm hmm. เวลาเราที่เราเวลาจเจริญปัญญาก็เราจ ะ, จะเจริญตอนที่เราไม่ได้เข้าสมาธิ mm hmm. เราก็จะพิจารณาสภาวะธรรมต่างๆ เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นของที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของของเราเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้เช่นร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปห้ามมันไปสั่งมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ไม่ได้ เมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาอหเราพิจารณาร่างกายจนกระทั่งเราเข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคือมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองพอเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะหยุดความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับเราได้ร่างกายเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปดูแลมันไปเท่าที่เราจะดูแลได้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะมันจะไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปมันจะตายก็ต้องให้มันตายไปถ้าเราเข้าใจ หลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายแล้วเราก็จะไม่ฝืนความจริงเราจะต้องยอมรับความจริงปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะเป็นอะไรก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปมันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าไปหาหมอรักษาได้ก็รักษาไปมียากินได้ก็กินไปถ้ารักษาไม่ได้กินไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปมันจะหายไม่หายก็ เป็นเรื่องของมันไปมันจะเป็นหรือมันจะตายก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันเราอยาไประหยากกับมันท่านเองนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เราเข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วมันต้องมีแก่มีเจ็บมีตายตามมาเราเพียงแต่มาใช้มันเท่านั้นเองเราเพียงแต่มา มาสายมันเป็นเครื่องมือชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ตอนนี้ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะเราสามารถหาความสุขจากการทำใจของเราให้สงบได้ mm. เราก็ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งร่างกาย mm. เมื่อเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับเรา เพราะเราไม่ได้อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วถ้าเราสามารถหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้นี่คือประเด็นสําคัญว่าทําไมเราจึงต้องมีสมาธิก่อนมีความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิก่อนเพราะถ้าเรายังไม่มีความสุขเราก็ายังจะต้องพึ่งความสุขจากทางร่างกายอยู่ต้องพึ่งอาศัยร่างกายพาเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพัชชนิดต่างๆอยู่ แต่พอเราสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่ต้องไปกังวลเพราะเราไม่เดือดร้อนมันจะอยู่จะตายก็เท่ากันเพราะเราไม่ต้องอาศัยมันมันอยู่เราก็มีความสุขของเราได้มันไม่อยู่เราก็มีความสุขของเราได้เพราะความสุขของจากการทําใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือต่อไป เรามีสติเรามีสมาธิเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเพราะฉะนั้นพอเราศึกษาดูธรรมชาติของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและความทุกข์ใจของเรานี่ทุกเพราะว่าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ตาย เราไม่เดือดรอนเพราะเรายังสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เรากลับจะมาเห็นว่าการมีร่างกายนี้เป็นกลับกลายเป็นเรื่องของการมีความทุกข์ถ้าไม่มีร่างกายนี้แสนจะสบายกว่าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาเลี้ยงมันไม่ต้องหาข้าวมาให้มันกินไม่ต้องหาที่อยู่ให้มันอยู่อาศัยไม่ต้องหาเครื่องนุ่งห่มให้มันไม่ต้องหายารักษาโรคมารักษาโรคให้มัน การไม่มีร่างกายนี้กลับจะดีกว่าการมีร่างกายเสียใ น, นเวลาที่เรามีความสุขจากการทําใจให้สงบได้แล้วเราก็ยินดีที่จะปล่อยให้ร่างกายตายได้อย่างสบายเ <c oughs> พราะไม่มีร่างกายแล้วมันยิ่งดีกว่าเพราะการมีร่างกายก็เหมือนกับการมีภาระนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ต้องคอยเลี้ยงดูมันต้องคอยรักษามัน <c oughs> แต่พอไม่มีร่างกายก็ไม่มีภาระอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าอยู่ อยู่แบบใจตามลำพังดีกว่าตอ<ม>นที่มีความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นกองทุกข์<ม>เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับตนเองเพราะฉะนั้นก็ยินดีที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บได้ ม, มันจะตายก็ปล่อยมันตายได้ แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสุขจากการทาใจใสงบนี้เราจะปล่อยไม่ได้ถึงแม้เราจะศึกษาธรรมาชาติของร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงกต็ตามถึงแม้เราจะรู้ว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกต็ตามแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีความสุขจากสมาธิอยู่เราก็ยังจะต้องอาศัยความสุขจากทางร่างกายอยู่เราก็จะเกิดความอยากไม่ให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตาย พ อ, พอทุกครั้งที่เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีดังนั้นก่อนที่เราจะมาทางปัญญาเพื่อมาศึกษาธรรมชาติของร่างกายที่เราเพิ่งพาศาัยได้นี้เราต้องมีสมาธิก่อนและการจะมีสมาธิได้เราต้องฝึกสติก่อนและการที่เราจะฝึกสติได้เราจะต้องมีศีลก่อนเราต้องรักษาศีลแปดให้ได้ก่อน พอเรารักษาสิ่แปลได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาฝึกสติมาเจริญสติมานั่งสมาธิได้พอเรามีสตินั่งสมาธิเราก็จะได้สมาธิขึ้นมาพอเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วเรากสา็สามารถที่จะมาปล่อยจะมาเลิกใช้ร่างกายได้ไม่ต้องพึ่งพาร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับเราอีกต่อไปเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายด้วยการ ด้วยการใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาในการที่จะรักษาใจของเราให้สงบไปตลอดใจของเราเวลาทุกข์กับอะไรเราก็จะรู้ว่ามันเกิดจากความอยากของเราเราก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะเกิดก็ต้องปล่อยให้เขาเกิดไปเขาจะดับก็ต้องปล่อยให้เขาดับไปอย่าไปอยากให้เขาไม่เกิดหรืออย่าไปอยากให้เขาไม่ดับ พอเกิดความอยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอมีปัญญาเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากต่างๆพอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ในใจก็จะหายไปหมดพอไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์ในใจใจก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอดนี่นะคือความสุขที่จะได้จากการเป็นนักบวชจากการที่มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากัน นี่คือเรื่องราวของความสุขของของในโลกนี้ที่มีอยู่สองรูปแบบที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาาปูราปาปริกโปลเนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกรปติ เหติ่ตางปฏิทิต่างตุมหังเคปะเมวาสนิจโตสัพเพปุเรนโุสังกปา ดันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิเตโยวิวัจันตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภะวะตวันตรายุสุขิติ迦ายโกภวะอภิวาทนะสีลิกษานิจังวุธาปจายโน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 ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทู e วันนี้มีผู้ติดตามรับฟังรับชมกันเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมมะนากุดจากทางเฟ e บ o o กพระอาจารย์สุชาติ500ท่านค่ะ YouTube พระสุชาติไลฟ290 YouTube Dr. V c h ช n n e l 83วิทยุออนไลน์8คลับเฮาส e 13นากุด137รวมทั้งหมด 1,031 ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนากุดค่ะมารดาที่บ้านเสีย มันดาที่บ้านเสียชีวิตที่บ้านโยมนำศพไปเผาที่วัดเสียชีวิตตอนเช้าโยมเผาตอนบ่ายวันเดียวกันเลยไม่ได้จัดงานที่บ้านชาวบ้านก็พูดว่ามันดาไม่ได้ไปเกิดจะวนเวียนอยู่ที่บ้านจริงไหมคะไม่จริงหรอกพอร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็ไปแล้วไม่ได้อยู่แล้ว ยมทําบุญให้มารดาที่วดัดไม่ได้นิมนพระมาทําบุญที่บ้านหลังจากที่มารดาเสียชีวิตจะเป็นการผิดประเพณีไหมคะก็ไม่รู้ประเพณีก็เป็นยังไงนะถ้าประเพณีก็ให้ไปทําที่บ้านมันก็ผิดถ้าประเพณีก็ไม่ได้ให้ไปทําที่บ้านทาที่ไหนก็ได้มันก็ไม่ผิด ค่ะบา้านดามีทาเท้าเฮาสี่หลังติดกันท่านได้ยกให้ลูกสาวสี่คนคนละหนึ่งหลังโยมจะทําบุญครบหนึ่งร้อยวันหลังที่ในในหลังที่ท่านยกให้แต่ไม่ได้ทําที่ทเท้าเฮาหลังที่ท่านเสียชีวิตท่านจะได้รับบุญหรือเปล่าขาหรือต้องทําบุญบ้านหลังที่ท่านเสียชีวิตด้วยคะออทําบุญทําที่ไหนก็ได้เหมือนกันไม่จําเป็นท้านจะต้องที่นั่นที่นี่ ทำไม่เกี้ใครอยากจะถามคำถามอยากจะถามอะไรเปล่าป้ามาณนีพูดดังๆพูดไกลๆหม่อยสับถามนะครับถ้าเกิดภาวนาพุทโธอะเราต้องเอาเอาความรู้สึกไปอยู่ตรงไหนนครับอยู่กับพุทโธจะอยู่คำพุทโธไปอยู่ที่ท้องใช่ปะอยู่ที่คาพุทโธครับไม่ต้องอยู่ที่ท้องไม่ต้องอยู่ที่จมูกอยู่ที่คาพุทโธไป คำถามจากทางเฟซบุกค่ะวันนี้นะ่วันนี้น้องหลินนั่งสมาธิหลังตักบาตรลูกน้ำตาไหลนางตกใจในสิ่งที่ไม่เคยเห็นในจิตแต่ดีใจที่ลูกขอเดี๋ยวลกขออ่านคำถามกินก่อนนะคะขอทำความเข้าใจกับคำถามดีก่อนค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ มีวันหนึ่งยมเห็นยมสังเกตเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์จากการที่เรานอนเหยียดขาตรงแต่สักพักก็อยากจะงอร่างกายจะเปลี่ยนท่าทางมันเป็นทุกข์ค่ะมันไม่ดีท่าดีจะต้องอยู่ในท่าเดิมยมก็มาพิจารณาว่าถ้านั่งนานๆก็เมื่อยยืนนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ไม่ได้สรุปคือร่างกายนี้เป็นกองทุกข์เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ต้องไปเข้าห้องน้ําเราต้องบําบัดทุกข์ของร่างกายตลอดเลย ยรวมควรพิจารณาอย่างไรต่อเจ้าค้าอย่าไปใช้ร่างกายอย่าไปมีร่างกายมันมีแล้วมันุกขก็อย่าไปอาศัยร่างกายอย่าไปเสพเลืเสียงกินร้อน เ, เลิกเลิกเสพเลือดเสียงกิ่นรนได้มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็อยู่ได้ก็มีความสุขได้ค่ะคำถามจากทาง facebook ค่ะ บุญที่ลูกเคยถวายทองคําแต่นานแล้วลูกสามารถระลึกถึงและอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่ลูกนึกได้ในเวลาปัจจุบันเขาจะได้รับบุญที่หนูอุทิศให้ไหมคะไม่ได้แล้วมันของเก่าอยากจะอุทิศใหม่ก็ต้องเอาของใหม่ของเก่าเอาทิ้กันได้ได้ทุกวั น, นก็ทําผลเดียวก็พอเอง คำถามจากคุณใโยคค่ะลูกนั่งภาวนาแต่จิตยังไม่รวมลงเจ้าค่ะแค่สงบพอหยุดนั่งกําลังจะนอนก็บริกรรมพุทโธดูจิตจิตเสมือนห้องว่างแต่ความคิดนี่แหละที่คอยขนเอาขยะเข้ามาในห้องการบริกรรมจึงทําให้มีสติตัวนี้แหละเจ้าค่ะที่คอยดูความคิดปรุงแต่งเหมือนครูฝ่ายปกครองคอยเก็บกวาดขยะลูกคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะใช่พุทโธเหมือนเหมือนไม่กว่านะ คอยกวายความคิดให้มันออกไปจากใจเราเอาไม่มีความคิดแล้วใจเราก็จะเบ า, จะ เ, บาจะเย็นจะสบายคำถามสักทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะการที่เราเห็นทุกข์และไม่อยากกลับมาเกิดถือว่าเป็นตัณหาหรือไม่เจ้าคะเป็นมัจเป็นธรรมะไม่ได้เป็นกิเลสเป็นความอยากแต่เป็นความอยากที่ดีความอยากมีสองแบบความอยากที่ไม่ดีกับความอยากที่ดี ความอยากที่ไม่ดีก็คือความอยากที่ดึงื่อเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดความอยากที่พาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่ถือวเป็นความอยากที่ดีคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ วันนี้น้องหลินนั่งสมาธิหลังตักบาตลูกน้ําตาไหลง้างตกใจในสิ่งที่ไม่เคยเห็นในจิตแต่ดีใจที่ลูกกล้าเผชิญไม่ได้ออกมาจากสมาธิหนูเลยบอกลูกว่าสักแต่ว่ารู้แล้วถ้าเจออีกให้จับลมหายใจและภาวนาพุทโธไปแบบนี้บอกลูกได้ใช่ไหมใช่ไหมเจ้าคะได้ไม่ก็เฉยๆไปให้ลูกเฉยๆไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันเกิดไปเดี๋ยวมันก็ดับเองไม่ต้องไปทำอะไร มันทำลายเราไม่ได้หรอกไม่ต้องไปตื่เต้นตกใจค่ะคำถามจากทาง facebook ค่ะช่วงนี้หนูฝันว่าร้องไห้ด้วยจิตอะไรอววรด้วยรักบ่อยครั้งเจ้าค่ะร้องไห้แทบขาดใจจนตื่นทุกครั้งขอสอบถามพระอาจารย์ว่าลูกควรพิจารณาเช่นไรเจ้าคะพิจารณาความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราเกิดมาแล้วจะต้องมีการพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดา คำถามจากคุณชิตชัยค่ะผมเห็นหมอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนข้างในร่างกายแต่นิสัยเก่านิสัยเดิมของคนนั้นก็ไม่เปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมแสดงว่าร่างกายก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับใช่นิสัยมันไม่ได้อยู่ในร่างกายนิสัยมันอยู่ที่ใจเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนสมองเปลี่ยนอะไรมันก็ยังนิสัยเดิมคนเดิมอยู่ คำถามสักคุณอากาลิโกค่ะเมื่อวันก่อนกลับจากต่างจังหวัดแล้วไม่มีรถเข้าบ้านในตอนกลางคืนจำเป็นต้องนั่งรถรถจนถึงสว่างในปั๊มน้ำมันเวลาเวลานั่งรอนานจะเห็นจิตมีความวุ่นวายกังวลง่วงไม่สบายตัวเป็นแบบนี้เกิดดับเกิดดับไปตลอดตามอารมณ์แต่เรารู้ตามไปไม่ไปปรุงแต่งตามอารมณ์นั้นเป็นวิธีหนึ่งจาก เป็นวิธีหนึ่งจากความรู้ทางธรรมที่ทำให้จิตสงบใช่ไหมคะถ้ามันทาได้ถ้ามันสงบก็ใช้ได้แต่ถ้ามไม่สงบก็ใช้พุทโธจะดีกว่าตอนนี้ไม่มีคำถามค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไห ม, มก็มาถามได้นะถ้าต้องการจะถามมาทังนี้ทางนี้ก็ได้ อตอนอราจการพาอาจารย์ครับคำถามก็มีอยู่ว่า อ, อารมณ์ที่มันมากระทบในสิ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับ อ, อารมณ์ที่เราไม่พอใจะครับในกรณีที่เรามีสติเรามีสมาธิแล้วก็เรามีปัญญา ถา้าเรามีน้อยเนี่ยการที่อารมณ์สิ่งที่อย่างเช่นความโกรธเนี่ยนะครับอ่ามันมากระทบอ่าเราปล่อยวางได้ช้านะครับแสดงว่าสติหรือและสมาธิแล้วก็ปัญญาเราน้อยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าในกรณีที่อ่าเราอ่าพยายามทำสติให้มากสมาธิให้มากปัญญาให้เกิดมากตรงเนี้ยเราสามารถล้นและยศแล้วอ่าล้นมาแล้วก็สามารถที่จะควบคุมมันแล้วก็สามารถที่จะรู้เกิด ดับเกิดดับของมันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใอันนี้ผมทําถูกต้องแล้วใช่ไหมครับแล้วจนจนจะทั้งเราเห็นอะไรก็เฉยเฉยไปกับมันหมดครับไม่ได้ไปตื่นเต้นตกใจยินดีร้ายกับอะไรครับผมแล้วก็เหมือนกับเกิดดับเกิดดับเหมือนปัดตกทิ้งลงไปได้เลยใช่ไหมครับมันมาแล้วก็ไปมันไม่มันจะไม่ดับก็อยู่กับมันไปไม่เราใจเราเฉยเฉยกับมันก็แล้วกันครับผม ไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันมันเกิดอแล้วไม่ดับก็ก็ก็อยู่กับมันไปมันเกิดแล้ว ม, มัน ด, ดับก็ปล่อยมันดับไปแต่เราอย่าไปยินดีย like ินร้ายกับอะไรครับคำถามจากทางยูทู u b e อก v ตอร์ n นค่ะ คนเลี้ยงสุนัขแต่ต้องจับเห็บหมาออกด้วยการฆ่าการรักหนึ่งชีวิตแต่ต้องทำลายอีกหลายชีวิตวงจรสัตว์เป็นแบบนี้ถ้าจะตัดวงจรคือไม่เลี้ยงสุนัขแต่ถ้าจะเลี้ยงจะทำยังไงให้ไม่บาปคะก็ายานมันมีตัวแบบยานมันมีอะไรมากินมันเียก็ต้องขยันจับมันออกไปทิ้งอย่าไปฆ่ามัน การบรูรณะซ้ําแซงพระพุทธ ร, รูปได้บุญไหมครับได้แล้วก็เป็นคำพูดทําบุญทําทานอย่างเสียสละเงินทองก็รักษาภูชนะสถานพระพุทธ ร, รูปก็เป็นภูชนะสถานที่เรามีไว้สําหรับบรรลกถึงพระพุทธเจ้าการรักษาไว้ด้วยการเสียสละเงินทองก็เป็นการทําบุญทําทานอย่าง มีชาวต่างชาติเราฟังคำตอบอยู่ค่ะ uh, How to eliminate the fear ค่ะ How to eliminate the fear Fear arises by your ignorant not knowing that your body isn't you So you feel that anything that threaten your your body will cause you to be fearful But if you know or you understand that the body is not you Then you can then uh, prevent the fear from arising. So some somehow you must study the nature of the body to see whether it is you or not you. Hmm. If you cannot use this knowledge yet, another way to stop your fear is to recite a mantra. Every time you are fearful, keep reciting buto t buto buto. Don't think about the things that cause you to be fearful. And when you keep reciting b u t t o until you forget the subject that caused you to have fear, then your fear will subside and disappear. คําถามจากทาง Facebook ค่ะเวลาเดินทางหรือได้เห็นอะไรอย่างเช่นสุนัขจรจัดเห็นแล้วสงสารมากค่ะจิตตกทุกครั้งเราควรวางใจอย่างไรดีคะก็มองว่ามันเป็นเรื่องกฎงกรรมสัตว์ทั้งหลาย ย่อมมีความต่างๆกันไปมีอยู่ดีกินดีอยู่ทุกข์ยากลำบาก เ, เรื่องของบุญของบาปที่เขาทาเอาไว้เป็นผลของบุญของบาปของเขาถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นเป็น ก, นการรับผลบาปของเขาไปค่ะคำถามจากฟังเฟซบุ๊กค่ะเข้าสมาธิจาเป็นต้องรู้สึกตกลมทุกครั้งไหมคะ ก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันทุกครั้งไปบางทีก็ตกแบบจากที่สูงมาบางทีก็ตกแบบเป็นขั้นขั้เหมือนขั้นบันไดก็มีแล้วแต่ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อการไม่เกิดอีกเพื่อที่เราจะได้รีบปฏิบตัติแต่มีคนมาพูดว่าชาตินี้เป็นไปไม่ได้หรอกต้องอีกหลายกาบหลายกันเราควรวางใจอย่างไรเจ้าคะก็เราวางใจที่พระพุทธเจ้าสิพระพเจ้าบอกชาตินี้ทาได้ไม่เจ็วันก็7เดือนไม่เจเดือนก็7จ็ดปีเราอย่าไปฟังคนที่ไม่ได้ปฏิบัติ เขาไม่รู้เรื่องหรอเขาพูดไปตามความเข้าใจของเขาเท่านั้นเองให้ฟังคนที่รู้เรื่องฟังพระพุทธเจ้าไปอ่านสติปัฏฐานสูตรดูอตอนตอนท้ายของสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าวะใครปฏิบัติสติปัฏฐานสูตรได้ตามที่ทรงสอนไว้ก็จะบรรลุได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะโยมนั่งภาวนาจิตไม่ทุกข์แต่พอไม่ได้นั่งจะหุดหิด ต, ต้องเอาพุทโธมาภาวนาอยู่ทุกครั้งแต่รู้ว่าใจไม่ค่อยสงบจะทำอย่างไรเจ้าคะก็ทำให้สงบสิพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบต้องขยันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจที่วุ่นวายก็จะสงบเอง คำถามสกุลสระศักทิ์ค่ะนั่งสมาธิโดยเพ่งดูลมหายใจเกิดปวดเอวขึ้นในระหว่างนั่งใจก็คิดว่าต้องอยู่ในลมหายใจให้ได้ความปวดจึงจะหายแต่ยิ่งบังคับให้อยู่กับลมหายใจเพื่อใหเ้เวทนายิ่งปวดขึ้นพอนึกถึงความปวดเกิดจากความอยากหายปวดก็เลยไม่บังคับลมหายใจปล่อยความอยากหายปวดออกไปความปวดก็เริ่มจางลงจิตก็รูลมหายใจอยู่บาง จิตก็รู้วมหายใจอยู่จางๆจิตก็รู้ความปวดอยู่จางๆแต่จิตรู้สึกสบายขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับถูกแล้วอย่าพยายามให้ความเจ็บหายไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปยังไม่มีค่ะหมดแล้วเหรอค่ะยังหมดแล้วก้าวท่า น, นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติ